เรียบร้อยแล้วในขนาดนี้ก็เป็นเวลา12โมงครับ 5:18 คือวันนี้เป็นวันวันพุทธที่เก้าีเดือนเดือนตุลาเนี่ยเราไม่จำไม่ได้วันวันพุทธที่เก้า วันมันมันพุธที่ 9, เก้าเดือนตุลานะสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดพวกคณะนี่บอกวันหลวงพอ่อนมานะ <c oughs> วันหลวงพอ่อกับอาจารย์ภูก็คุณโตแหลแล้วกับคุณนุนพนนกนครับใครสมพบนะอันนี้อะไรนะ ศิรักษาเดินทางมาจากกรุงเทพมาที่ศิริราชาหลวงพ่ออาจจะมาแล้วไม่รู้ก็ได้เพราะว่าหลวงพ่อยังไม่เคยรู้จากทางนี้หรือบางทีอาจจะมาแล้วก็ไม่รู้เพราะคุณพิมลเคยพามาบ่อยทาั้งนี้แต่ไม่รู้นี่มาถึงที่บ้านเป็นยมแม่แเนเนื้อมาถึงบ้านพ่อแม่คุณแอลก็เลยมาสั่นพรทหารกลางวันที่นี่ เมื่อสันพัทาหารเสร็จแล้วก็มีการพูดคุยกันหรว่าการให้ข้อคิดกันแะว่าแสดงคํามาก็ได้หรือว่าคุยกันให้สนุกสนุกก็ได้คนเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีจุดสำคัญอยู่จุดหนึ่งไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่ไทยหรือจีนจะเป็นโนชาติไหนภาษาใดก็ตามคือต้องการควรม่มีทุกดรืวยว่าไม่ต้องการทุก แล้วก็ความที่ว่าไม่อยากตายไว้เนี่ยพูดภาษาธรรมธรรมะกับว่าได้เรื่องภาษาบ้าน <S 2> <S 2> พื้นเมืองแล้วก็ว่าได้ที่พูดที่ไม่ต้องอาศัยตำราเพราะว่าอาจารมาไม่เคยเรียนตำราเขียนหนังสือไทยไม่เป็นนะไม่ได้เรียนตัวหนังสือไทยไม่เคยเลยจังว่าพูดภาษากลางไม่เป็นภาษากลางภาษากรุงเทพไม่เป็น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 พ่อใช่ไหมนี่ยครับคุณพ่อเนี่ยพูดกับแอวคำแรกที่สุดแอลจำได้ไหมจำไม่ได้เนี่ยได้อายุ ก, กี่ปีแล้วลนี่แอลอายุกี่ปีแล้วถามนั่นน่ะเนี่ยสามสิบห้าปีก็ยังจำไม่ได้เรานึกนึกถึงว่าสังข ญ, ญาณนายครั้งที่ห้านี่พระพุทธเจ้าตายไปแล้วลุนิพานไปแล้วจะว่ายังไงก็ได้ ได้450ปีถ้าคิดระยะทั่วคนตายอายุ80ปีนี่ประมาณกี่ชั่วคน8 5 40นี่ว่า5ชั่วคนลอันนี้สอนตัวเองยังไม่ทันตายเนี่ยเรื่องก็ยังจำไม่ได้นักจะเอาความจริงที่ไหนมาพูดกันอันนี้ก็เพื่อเป็นการเตือนษษษษจิตสกิตใจหรือว่าแลกเปลี่ยนคำพูดซึ่งกันและกัน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 เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จำไว้สิ่งที่มันดีสิ่งที่ไม่ดีก็เลยไม่เอามาใช้บัด น, นี้ฟังคำสอนของบุคคลที่รู้ใครรู้ก็เอามาสอนแต่สอนให้ราชั่วทำดีเข้าทางหูเข้าตาเข้าหูทางจมูกทางเี็บอันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญที่สุดคือตากับหูนี่เองบัด น, นี้ตัวพุทธศาสนาคือตัวสติตัวปัญญาหรือตัววิญญาณไม่ใจะว่ายังไงก็ได้ คือตัวที่มารู้สึกตัวนี่เองตัวที่มารู้สึกตัวนี่คือตัวนี่เนี่ยไม่ใช่ตัวอันนี้ก็จะว่ากันนะคือตัวที่เรารู้กาลังเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีไหนก็ตามเช่นทิปตาหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละรู้สึกอันนี้แหละเป็นการปฏิบัติธรรมคาว่าปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตัวเองเนี่เองลักษณะความคิดมันเป็นกิริยา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 บาปให้จากมนุษย์แล้วพระเยซูนั้นน่ะจะเมื่อเมื่อมนุษย์ได้ตายต่วแลจะมารับอวดวงจิตวิญญาณขึ้นไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอะไรนั้นอันนั้นก็จริงแต่ว่าคนที่ไปสอนน่ะพระ พ, พระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนอาจจะรู้ก็ได้หรือไม่รู้ก็ได้นั่นนี่พูดความจริงสูกันฟังไม่มีอะไรจะมาเสนอสนทองตอบแทนนอกจากจะพูดความจริงให้ฟังเท่านั้นเองความจริงอันเนี้ แต่มันมีในคนทุกคนจะถือว่าเราเป็นพระเยซูก็ได้เป็นศาสนาคิดก็ได้จะเป็นศาสนาไหนก็ได้มันเป็นเรื่องลั่งที่เป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาคำว่าพุทธศาสนาก็ได้พุทธศาสนานี้ท่านก็สอนว่าสุทธิอสุทธิป จ, จตังนานโยอัญงวิโสทาเนธรรมบาปเองย่อมเศ้ามองเองไม่ทําบาปเองเห้มหมดจบเอง ความหมดจดและความเศร้าหมองเป็นของเฉพาตนคนอื่นทําให้ไม่ได้ทำไงนะน้องแต่เรื่องาศาสนาคิดนั้นต้องให้พระเยซูมารับเอาเนี่ตึงอันนี้ก็เลยจะส่งลูกเข้าเนื้อหาสาระที่จะเอาไปใช้กับชีวิตของเราจริงๆทุกคนไม่ต้องการความทุกข์และทุกคนไม่ต้องการควตายต้องการแต่ความไม่มีตายกันเด็กต้องการแต่ความไม่มีทุกข์กันเหละแล้วอยู่ที่ไหน ก็ไม่รู้อีกแล้วเราทาบุญก็ตามรักษาสิ่งก็ตามทำกรรมาฐานก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละสรูปแล้วก็รวบและตัดใจความให้มันสั้นคือเรามารู้ตัวเรานี่แหละรู้ตัวเราแล้วมันจะเป็นอย่างไ น, นมันจะคอยทะนุถนอมเข้ามามันจะคอยเก็บเข้าเก็บเข้ารู้มากเข้ามากเข้าความรู้อันนั้นจะทาอะไร มันจะไปทำความไม่รู้ให้ออกไปเราต้องการความไม่มีทุกข์ก็บเพราะความไม่รู้นั่นเองเราต้องการความไม่อยากตายกับเพราะเราไม่รู้นั่นเองเราต้องการบุญกับพมมเพราะควา ม, มวามไม่รู้นี่เองเรากลัวทุกข์กลัวสุขอะไรทั้งหมดกับเพราะความไม่รู้นี่เองความไม่รู้นี่เนี่ยเป็นสิ <learns> ่งที่สําคทำขยะมาทำควมรู้สึกตัวให้มาก เมื่อเราทําความรู้สึกตัวให้มากความไม่รู้มันจะถอยหนีหรือออกหนี อ, อุปมาให้ฟังเหมือนกับแก้วน้ําที่เรามองเห็นแก้วน้ํำนี่ว่ามันไม่มีอะไรแล้วมันว่างๆไม่มีน้ํานะเราเทน้ําเข้าไปอากาศมันหนีแต่มันมีอากาศอยู่ในขวดเป่าหรอกบัดนี้ถ้าน้ําเข้าไปไล่อากาศข้างในหนีหมดแล้วก็แสดงว่าน้ําเข้าไปบรรจุในขวดหมดแล้ว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 นันลุกอยู่ที่ใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจเท่าไห่ไม่ใสถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วพระนิพพานไม่ใส่เดี๋ยวนี้พระนิพพานเราเข้าใจว่าอยู่ใครใจสวรรค์ก็อยู่ใครใจหรือว่าผู้ที่ถือศาสนาชิกก็ให้พระผู้เป็นเจ้ามารับเอาดวงจิตวิญญาณอันนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่รู้ตัวเราถ้าหากเรารู้ตัวเราพระผู้เป็นเจ้าคือตัวรู้นั่นเอง คือคนที่รู้นั่นเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าใครเป็นคนรู้ถ้าพูดตามภาษาธรร ม, มากเร็ววิญญาณเรือจะว่าปัญญาหลอบรู้วิญญาณก็แปลว่ารู้บัด น, นี้คนโบราณก็ตามเรือสมัยนี้ก็ตามวิญญาณก็ต้องตายแล้วล่องลอยไปเกิดที่นั้นทีน่นี้ไปตกนรกบ้างไปเป็นเทวดาบ้างสแสดงว่า ยังไม่เข้าใจคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจริงคำว่าวิญญาณเปวารู้นี่ไม่ใช่วิญญาณตายออกจากร่างนี้ไปเข้าร่างอันเรื่องนั้นมันมีมาก่อนพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นศาสนาผราหหรือศาสนาฮินดูที่สอนกันมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่มันเป็นยังไงจริงที่เจรนาดูไปศึกษากับพวกพรามจนได้สมาบัติแต เข้าสารออกสารได้ทันวันคำว่าเข้าสารออกตารเนี่ยเราก็ไปติดตํานายอีกแล้วอืเป็นคําว่าเข้าหมายถึงอย่างเราเข้าไปดูไม่ใช่เข้าไปแล้วเหาะได้หรือว่าเข้าไปแล้วไปสงบอันนั้นก็เป็นการเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่อาตมาเข้ามาบ้านคุณโยมเนี่ยเข้ามาก็ต้องรู้มีโต๊ะอยู่ที่นั้นมีเก้าอี้อยู่ที่นั้นแล้วก็ที่สรรอาหารที่นั้นแในกามาให้อาตมานั่งที่นี้เข้ามารู้อันนี้เท่านั้นเอง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 รู้ตัวเรากําลังเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีใดก็รู้อันนี้เปลว่าซที่แรกหรือเป็นปสมมาแรกเป็นปสมมาเลิกก็ได้อย่างที่อาตมาเข้ามาในกอดตรงรู้รัวบ้านก่อนเอารถจอดที่นี่แล้วก็เข้ามาที่นี่เข้ามานั่งในห้องนี่แล้วก็มาสร่นอาหารที่นั่นเข้าไปห้องน้าที่นั่นอันนี้เปลว่าเข้าไปรู้เดี๋ยวนี้ซานก็เช่นเดียวกันเข้ามารู้เรื่องรูปเรื่องน้ำํำ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 มั่นของถาวรถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาแนะนําก็ได้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาแนะนําก็ได้จะมีพระผู้เป็นเจ้าเย็นย่างเทวาพระพระเยซูจะมาเตือนให้ปฏิบัติตามก็ได้หรือว่าไม่มาเตือนก็ได้เพราะมันเป็นของจริงอยู่ที่ตรงนี้อันนี้เปรมาสารที่หนึ่งก็ได้หรือว่าเป็นปฐมมาเลิกก็ได้หรือว่าเป็นปฐมฌานก็ได้ถ้าพูดตามภาษาบ้านอาตมาเรียกว่าสาลที่หนึ่ง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 เป็นทั้งรูปเรียว่านามรูปอันนี้เขาเรียกว่ารูปนามหรือว่าเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเขาปัดเอาตัวรูปออกไปเขาเรียกว่ารูปสี่หรือว่าจะว่ายังไงก็ได้คือเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเป็นทั้งนามและเป็นทั้งรูปเมื่อมารู้ทราบซึ้งตึงใจสิ่งนี้แล้วสิ่งทั้งปวงนั่นแหละในโลก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 เราจะรู้เอง <l ots> เห็นเองไม่ต้องไปถามใครคราวหนึ่งที่ไปศึกษากรรมาฐานอาจารย์หาม ก, ก็เลยเอามาแก้ปัญหาให้โยมฟังชื่ออะไรคุณโยมนะีคุณทวีนะเนี่ยก็ทุกๆุกค น, นฟังได้คุณโยมนี่อายุปีแล้วนนี่เจ็ดสิบเอ็ดอ่อชื่ อ, ช, อ, ช, อชื่ออะไรหันทองจำให้มันดี เป็นเป็นมารดาคนเนี้อ่า เ, เป็นที่อ้อฟังกันดีนะวันนี้อาจารย์ถามถามว่ามักทิกเผ็ดไหมถามโยมมันนักทิกเผ็ดไห ม, มเผ็ดเกลือเค็มไหมโยมถามมาตอบให้ฟังไม่เค็มอน้าน้าอ้อยน้ําตาลหวานไหมโอ้เกลือไม่เค็มนะเกลือไม่เค็มแต่น้ำอ้อยน้ําตาลหวาน อันนี้ก็แสดงตามความคิดเห็นอันนี้แหละปัญหาที่เรามีข้อสงสัยกันอยู่ทุกวันนี้บางคนก็ว่าหมักพลิกเผ็จมักพลิกไม่ได้เร็จเลยในขณะนี้มักพลิกเราไม่รู้มีรสชาติเผ็ดยังไงไม่รู้อันนี้ไม่ใช่จะพูดให้อย่างนั้นนี่ยเพื่อความเข้าใจนะถ้ามีคนถามอย่างนี้นะ่ะมักพลิกยังไม่เคยได้มาถูกกับปลายลิ้นเราเราจะรู้มักพลิกเผ็ดได้ยังไง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 ตั้งใจคิดตาลงดูคิปอย่างไรงรู้ไหมรู้หึกว่ามันคิดตาอย่ากรู้ไหมแต่ก่อนเมื่อเคยรู้กําหนดมันอย่างนี้มาบ้างไหมมันมันคิดตามาตั้งแต่ตัวเล็กเล็กหลุดจากท้องแม่มกับคิดตามาเลยทําไมจึงไม่รู้เพราะเราปฏิเสธตัวเราไปเพราะเราไม่เคยปฏิบัติธรรมะที่ตรงนี้เองเอาโยมไปยังไงคิดตารู้ไหมหรู้มากไหม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 อันนี้ก็เป็นปรมาัดภายนอกที่เรามองเอันนั้นก็เป็นปรมาตัตดภายในที่ว่ปาปรมาัดโดยของสิ่งสิ่งีสมมุติบัญญัติขึ้นมาและปรมัดบัญญัติขึ้นมาและมีอัถฐบัญญัติขึ้นมาและมีอริยบัญญัติขึ้นมาแต่เราไม่เคยศึกษาที่ตรงนี้ดังนั้นการศึกษาและปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติที่ตัวเราศึกษาที่ตัวเรา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 วิญญาณก็แปลว่ารู้ปัญญาก็แปลว่ารอบรู้เขาว่าอย่างนั้นตำลาแต่ตัวอาตมาไม่เคยรู้กับตำลาเคยรู้ประสบการณ์กับเรื่องปฏิบัติจริงๆหามาดูที่ตรงนี้แหละเมื่อดูข้าวมันคิดรู้จักมันทันทีเห็นรู้เข้าใจจิ๋รู้จักรู้จารู้แจ้งรู้จริงรู้ข้าวรู้ออกมีหกลู้ด้วยกันถ้าจะพูดให้มาก ถ้าพูดน่อ ย, อยก็มีสี่รู้พูดน้อยเข้ามาก็ต้องมีสองรู้รู้จักรู้จำพ่อแม่ปูยยย่ย่าตายายครูบาสอนมาก็รู้จักกระรู้จำแต่ไม่เห็นรู้แจ้งคือตัวเองเข้ามาที่รู้บ้านคุณโยมเดีน๋นี้โอ้โต๊ะอยู่ที่นันรู้จริงนังทานอาหารรู้แล้วจะเข้าไปไหมนี่ไหมไม่จะถอนตัวออกมา แลู่เข้าลู่ออกถ้าลู่เข้าเดี๋ยมันคิดเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวลู่เข้าไปมันปรุงไปเขาเรียกวสังขารปรุงแต่งบันเลลู่ออกพอดีเห็นมันคิดปุ๊บมันหยุดปั๊บทันทีถอนตัวออกจากกันเมื่อถอนออกจากกันแล้วมันจะสะบั้นตัวมันอื่นจะขาดออกจากกันเมื่อมันขาดออกจากกันแล้วมันก็แสดงว่าต่อกันไม่ติดเพราะมันเป็นคนละขนกันแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆสภาพหรือคําสอน ที่สอนกันทุกวันนี้ขวางจริงแล้วเอามาพูดกันน้อยแต่เอาสิ่งที่มันไม่มีรสแต่มันมีรสเฉพาะคนที่ไม่รู้รสหวานรสเปรี้ยวคือมันไม่รู้แต่เพียงคนอื่นมาเล่าอันนั้นเปรี้ยวอันนี้หวานแต่ตัวเองไม่เข้าไปกินลองดูอย่างที่ถามที่เกลือเค็มเนือเกลือไม่เค็มจะนําอ้อยน้าตาลมันหวานถามโยมนั้นนี่ก็ว่าหมักพริกมันเผ็ดเราต้องเข้าไปกินดูนะ เมื่อเราเข้าไปชิงดีๆแล้วลดโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่พระเยซูสอนกว่าเช่นเดียวกันพุทธเจาสนาสอนกว่าเช่นเดียวกันทุกคนสอนให้มีความสามารถกล้าหารไม่แต่กล้าหานสามารถไปลบไปเร็วไปทุกไปตีกันไม่ใช่อย่างนั้นมีความสามารถกล้าหารเอาชนะให้ได้เป็นใหญ่ในตนให้มันได้ คันเอาสนาไม่ได้เป็นใหญ่ในตนไม่ได้ก็มีแต่กลัวอยู่ยงนั้นเน่ะกลัวตกนรกกลัวผีกลัวอะไรกีบปาท ะ, ะเมื่อเอาสนะมันได้เป็นใหญ่ในตนได้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรพราเราเป็นใหญ่แล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นที่พูดมานี่บางคนอาจจะเคยได้ฟังมาแล้วแต่ฟังบ่อยๆก็เข้าใจถ้าหากไม่เคยได้ฟังเอ๊พูดอย่างไงอย่าง น, นี้ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาเนี่ยเข้าใจเป็น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 มันจะเข้าไปสู่สภาพเดิมของมันคนทุกคนรีกไม่ได้ที่มาเป็นสัจจะแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันคงที่ถาวรถึงจะมีผู้รู้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีผู้รู้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นภาพพุทธเจ้าเรียกว่าเจ้าสายศิริถะกมาเนี่นะเมื่อพบเห็นแล้วก็มาสอนคน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 แต่ทุกคนจะมาอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้ต้องออกประตูบ้านจริงๆไม่เป็นวันใดกววันหนึ่งต้องออกไปประตูบ้านจริงๆิดังนั้นความตายนี่จึว่าทุกคนต้องแน่นอนที่สุดไม่มีเลยคนจะไม่ตายเนี่ยต้องตายทุกคนควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วอันนั้นเดีคยอนิ้ผ่านเมื่อมันเข้ากันทุกสั์ทุกส่วนแล้วพอดีกันแล้วนั่นแหละคือความไม่เปลี่ยนแปลงความไม่แปรผัน อันนั้นแหละเรียกว่าสัจจะคือควมจริงพระพุทธเจ้าพบอันนี้เนี่ยจึงนํามาสอนคนอินเดียคําสอนทั้งหมดบรรจุลงที่ตรงนี้ตักบาตรก็ตามลักษาะินลก็ตามไปทําความสงบก็ตามไปเจริญนิพพสนาก็ตามเมื่อเราเข้ามาสู่สภาพจุดนี้เรียกว่าเข้าฌานก็ได้ไม่แต่ว่าภาชนะขนส่งก็ได้ไม่ว่าจะเข้าไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าก็ได้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 เจ็ดสิบเอ็ดเคยรับน้ามนต์บ่อยนะบ่อยหลายครั้งไม่บ่อยครั้งบ่อยครั้งกับหลายครั้งอันเดียวกันนะเคยรับน้ำมนต์ไปไปพรมหลายครั้งแล้วล่ะอย่างหลายครัง้งที่นี่ยยอย่างแล้วน้ำมนต์หมายถึงอะไรอ๋อโอ้โหูกแล้วนี่ น, น, นี่แหละการทําบุญการทําบุญทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยน้ามนต์ ไปดีมนเอาพระมาทมําบุญใช่ไหมสาวพูดต้องดีมนเอาพระมาทําพระก็แปลนผู้สอนคนให้รู้ถ้าสอนไม่รู้จะแสดงว่าพระโดยสมมติถ้าเป็นพระจริงๆต้องสอนให้รู้จักน้ำมนต์นี่ยมันขังศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าเป็นมงคลถ้ารู้ถ้าไม่รู้น้ํามนต์ก็บางทีน้ําเนี่ยไม่ได้ฆ่าเสื้อโลกน้ํามนต์ตกใส่เราบางทีก็แสบเข้าไป บางทีปรถูกหน้าถูกตาเป็นบาทเป็นแถลเได้ไม่เย็นแล้วก็เป็นอ ป, ปะโมงคลไม่ใช่เป็นมงคลแล้วเขาพูดอย่างนี้นะโมตัสสะพระวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสามจบแล้วก็พุทธังธรรมังพุติยัมปิตาติยัมปิแล้วก็วมก็เข้าใจเป็นนามน์นะ ต่อไปก็ก็สวดโยจพุมาโมหะมะลาปะกะโทปายเชิญจบอเสวนาไปเลแล้วเป็นภาษาบาลีโยมภาษาไทยฟังไม่รู้เรื่องวันนี้อาตมาจะขอแนะนําไม่ใช่จานะแนะนําให้โยมเข้าใจนโมตสะพระคัมภโตไปว่าขอนกน้อมนกไข่นกตัวเราน้อมใครน้อมตัวเรานโมตตะพระคัมภีร์อรหะโตจะไปหาคนอื่นไม่ได้ต้องหาตัวเรา เรีกว่าโชคดีสที่อาตมาเคยเรียนอันลหัฮโตเปียผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกเบ้าโดยธรรมตัดสะพระคัมภโตเลูเองเห็นเองเข้าใจเองแล้วก็ะตั้งสู้ชอบโดยเขาอืน่นเอายมกำมือดูรู้สึกไหมวา ร, ร, รู้เออคนอื่นจะรู้ยอมไหมไม่รู้นะเออนี่แหละโยมเนี่ยนโมตสระให้รู้อันนี้แบบ น, นี้พุทธทางข้าพระเจ้าถืออพรรยาเจ้าเป็นที่พึ่งพึ่งตัวเราเอ่ะ พุทธะเปี้ยพูรูใช่ไหมโยมเองจะเป็นพุทธะขึ้นมาเองไม่ต้องไปรอคอยใครที่ไหนเลยโยมโยจะขุมาโมหามล า, าปกะกาศท่านพระองมใดเลมีพระปัญญาจาักสุขจัดมณทินคือโมหะโมหะเปี้ยคมหลงควมหลงนี่แหละเสียแล้วจัดการโมหะออกเมื่อใดแล้วก็เราก็อยู่ด้วยสติปัญญาก็อยู่ด้วยความสว่างอันนี้เป็นมงคลแท้ ถ้าเอาน้ามนนี่อาตมากระทำให้นะไม่ใช่จะไม่ทำอันนี้มันเย็นผิวนอกอนมันไม่ได้เย็นผิวในกำจัดภัยอันตรายได้น้อยถ้าหากพูดอย่างที่อาตมาพูดนี่กำจัดภัยอันตรายได้มากดังนั้นทังบ้านอาตมาเมื่อมีคนตายไปแล้วก็ต้องไปมีมนเอาพระมาสวดกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภิญญาตาธรรมะทุกข์ขาไปเรื่อยไปเรื่จบแล้วก็โอ้ยมากโยน อนิจจาบางสกุลหลายอย่างแต่คนที่สวดคนย่างไม่รู้และคนที่ฟังก็อย่างไม่รู้ถ้าหากว่าบ้านอาตมานอาตมาเคยพูดอย่างนี้แต่คนอื่นจะพูดยังไงไม่ทราบแต่สมัยก่อนอาตมาก็ไม่รู้เช่นเดียกันพ่อตายแม่ตายลูกต า, ลาตายหลานตายผัวตายก็ต่างจิตใจมันเศร้าหมองมันเป็นทุกข์ใช่ไหมโยมเออก็ไปในมนเอาพระมาปรับควัญเข้าใจ ทุกคนมันต้องตายอย่าไปวิตกกังวลทําจิตใจล้าเริงเบิกบานให้พระมาปรับความเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมาสวดแล้วเอาเงินเอาคายเอาไปอย่างนั้นอันนั้นก็ทุกข์แต่มันทุกข์น้อยเมื่อมาปรับความอย่าไปเป็นทุกข์ตายแล้วค่แล้วไปคิดถึงมันก็เป็นอดีตอ น, นาคตไปเราจะแก้ปัญหาอันนั้นได้ก็ต้องปัจจุบันเท่านั้นคิดมันเป็นทุกข์คิดอย่างให้คนนั้นคืนมาม่นก็คืนมาไม่ได้จะคืนมาได้ไหม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 ดังนั้นที่สวดให้แล้ว่นะโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสามจบแล้วพอจบเดียวก็ได้นะพอแล้วเนี่ยวันนี้พุทธังสันนักษามิธรรมังสันนักษามิสังขังสันนักษาณิพุติยามปีพุทธังสันนาณิทุติยามปีธรรมังสันคักษามิทุติยามปีสังขังสังคักษาณิ ต, ติยังปีพุทธังสนััตสามิตาติยังปีทำมังสนััตสามิตาตะะียังปีสังขังสนััตสามิอันนี้เป็นภาษาบาลียังยังไม่รู้พุทธังสนััตสามิข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกําจัดทุกกําจัดภัยได้จริงถ้าหากโยมเพิ่งตัวเองทําความรู้สึกตัวเองกเพิ่งตัวเองกําจัดทุกกําจัดภัยได้จริงทำมังสนััตสามิข้าพระเจ้าถือเอาพระธระออรม เป็นสารณะเป็นที่พึ่งกําจัดทุกกําจัดไถได้จริงกันเลสังฆังสนักสารนี่ข้าพระเจ้าถือเอาภระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งกําจัดทุกกําจัดไถได้จริงไม่ใช่เอาภระสงฆ์อย่างที่ตัวอัตมาไม่เป็นที่พึ่งอย่างไม่ได้นะภระสงฆ์นั่นคือสุปฏิปัโนพระวโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระภิกษภาคเจ้านั้นูหใดปฏิบัติดีแล้ว คือบุคคลผู้ที่ปฏิบัติดีนั่นเองโยเป็นพระสงฆ์อุชุปฏิปโนพระควมโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระพุทธเจ้าหมูใดปฏิบัติตรงคือบุคคลผู้ที่ปฏิบัติตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองยายยาปฏิปโนพระคัมโตสาวกสังโฆสง์สาวกของเทวีภาคเจ้านั้นหมูใดปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว คือเราออกจากทุกข์จริงๆสามิจิตปฏิปนุปะคัปโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระอยู่ภาคเจ้านันหบูไดปฏิบัติสมควรแล้วคือปฏิบัติสมควรก็หมายถึงว่าไม่หลงไม่หลงตัวนะโย่จำได้นะคือไม่หลงตัวไม่ลืมตัวนั่นเนี่ยเว่าสมควรใครมาถามเลยผีคืออะไรผีคือความไม่ดีถามโยมเนี่ยเขาว่าผีเอคนนี้ขี้โกรธ โน้ว่าคนนี้คือผีเคยได้ยินบ้างไหมคนทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีคำว่าคือผีเคยได้ยินบ้างไหมแล้วโยมเห็นผีบ้างไหมเพราะโยมไม่มีตาทิพย์มันก็ไม่เห็นที่ให้มีตาทิพย์เนี่ยถ้าหากได้ยินโอ้พิจารณาดูคนทําไม่ดีพูดไม่ดีคำว่าไอ้ผีถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเออนางนี่คือผีเนี่ยมันคือแต่มันไม่มีตาทิพย์มันเลยไม่เห็น ถ้าสงองค์เนงก็ถ้าทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดเนี่าพองค์นี่ก็คือผีเนี่ยมันน่ะผีทั้งทั้นเนี่ยจริงไหมคนใดทําดีพูดดีคิดโอ้นางนี่คือเทวดาเนี่ยแม้อีตาคนนี่คือพระธรรมเนี่ยพระธรรมอยู่ที่ไหนเน่ะอันนี้สแสดงว่าคนมีตาทิพย์ยังเห็นได้คนมีหูทิพย์ก็เห็นได้มาพูดเรื่องตาทิพย์หูทิพย์ถ้ายมฟังยมก็ต้องเอาตาทิพย์หูทิพย์ ไปไว้กับเนื้อกับตัวโยมก็ได้นะดังนั้นเรื่องตาทิพย์หูทิพย์คนที่มันยังไม่รู้ก็ไปอีกอย่างหนึ่งคนมีตาทิพย์หูทิพย์ผู้ที่รู้ก็ไปอีกอย่างนึงเขาชื่อว่าให้ใส่ปัญญาให้ใส่ปัญญาเอาวันนี้ก็มาสวดโยจกุมาให้โยมฟังอีกสักนิดเดียวนะเพราะว่าจะทำน้ำมนต์แล้วก็ต้องทำไปโยจคุมาโมหามลาปะกโท สามังวัพุทโธสุขะโตยมุตโตมาลัสปาสาวิณิโมจันันโตปาเปสิเทมังสนตังวิเดยังมันยาวนะโยบถ้าจะสวดไปขยาวนะเด็กก็ไม่ต้องอันแนี้เป็นภาษาบาลีโยบฝังไม่รู้นะนบานี้แปลให้ฟังโยจักขโมหะมาร า, า, าประโทนะแปลว่าท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจาักสุขจัดมนทินคือโมหะเสียและโมหะแปลว่าคนไม่รู้นะโมหะเสียสามังวัพุโทโธสุขะโตยมุตโตนะ คือผู้ที่ไปดีมาดีสเสด็จไปดีแล้วสเสด็จไม่ไป้ห่อนะโยเดินไปดีมาดีไม่สนหลักสนตอ่อไม่ลงคูลงคลองไม่ทะเลาะผิดเคียงอะไปดีมาดีหากินซอบทำเดี๋ยวไปดีมาดีไม่ผิดคนเนี่ยแปลว่าไปดีมาดีอันนี้แหละโยบหายเคาะหายกรรมหายเวรได้จริงๆนะถ้าปฏิบัติอย่างนี้รับรองหายจริงๆ เือว่าเราไม่เชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไปอาศัยน้ํามนต์น้ําอันนี้ก็ดีแล้วถ้าน้ํามนต์อันนี้ดีโยมตักเอาแล้วก็ไปให้พระสวดทุกวันทุกวันก็ได้หรือไม่ไปสวดก็ได้โยมเคยเห็นน้ําที่นี่เคยเห็นทุกวันเอามาักไวจก้จักสองสามวันตัวยุงไปตอมอ ตึใจดวงยัวดวงใจดวงมีดวงระเบอย่างเต็มแรงที่ภายในบุหรี่สุข like er, ินมักส่งสุขวัลใจระยะประมาณกว้างกว้างกว้างไม่สองร้อยสุรต่ด้านที่ศสุัย ใ น, น้กับสวกันแ ล, ล, ล้วการกเครื่องแบวนมี้จะลาเป็นกรรบบน้จลายเป็นารสารแบีลายน่าบบนี้ยเป็นกรบี้ก็จะกลานร่อร้ะยเน่อสารแบบนีกะารสอรนี้ะยรอแนี้าเป็นาสารบบนี้ก็จะย่อแน้าเาอสแนี้ลเป็นาาแบี้กปอนี้นะอา สัพพิทิโยวิวันสันโตสัพพโลโคฉันตุมาเตภวาตุนตลายโยสุพิชยโยโขภวาอภิวันทานสิเลสังเลจังภูธาปัญญินโนจตตา มาวัทฐานสิยุวันนนสุขังหานานาดีแล้วอยู่นั่ <c oughs> นมบนกระขังศักดิ์พร้อมด้วยนะ <c oughs> อันนี้ดีนะทำไมดีจริง <c oughs> <c oughs> เนี่ยอันนั้นจิตวิญญาณเป็นโลกรูปสบายไปไหนมาไหนได้ออะเนาะคำว่าจิตวิญญาณเป็นโลกอย่างนั้นให้โยมดูมันจริงๆนะดูมันจริงๆจะเห็นโอ้จิตวิญญาณเป็นโลกแล้วจิตวิญญาณเป็นโลกไปที่ไหนไปทุกข ต, ทกขต<อ>ิทุกขติเป็นอันหวงังนลยทุกขติเป็นอันมันได้เดี๋ยวนี้นี่เลยมันได้แล้วเนี่ย<ต>ทุกขติอ๋อก็นั่นแหละรีบเอาทิ้งทันทีนะนั่นแหละรีบตัดหลวงพ่อฟุ้นทวด พอดีมันคิดไม่พอใจคิดมารู้สึกตัว ท, ทันทีที่ในขณะที่โยมไม่รู้สึกเ อ, อรู้ศึกว่ามันไม่พอใจโยมไม่รู้นะไม่รู้ตัวไม่เห็นจิตเห็นใจจึงว่ามันหนักแล้วจึงจะรู้ขึ้นมาใช่ไหมมันหนักแล้วยังรู้เนี่ยเขาบอกขโมยมันรักเอาของไปหมดแล้วจึงจะมาตามผู้ล้ายมันไม่ทันเลยวันนี้จับปืนไม่จับค้อนจับอะไรอยู่ประตูเลยพอดีโยมผู้รายเข้ามาได้บ้านเอาเละไม่ต้องเข้ามาโยมเข้าใจอย่างนี้ หลว่อังมีจับไหมคะตอนเขาจะโยมกิน่หลวงพ่อมันทําไปที่ไหนไม่รู้ทางเลยเนี่ที่ใครที่นีไม่รู้ถ้าโยมปล่อยที่นี่ก็จมาอาศัยบ้านโยมนอนเลย น, นอนเลยนะคขอนวัสนามใที่พวกเรา ที่นี่ซื้อมาเจริญสติมาเจริญปัญญาการเจริญสติการเจรเจิญปัญญานั้นดีว่ว่าเจริญวิปัสนาการเจริญวิปัสนานี่มันเป็นขั้นปัญญาไม่ใช่เป็นการรักษาศีลให้ทาน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 ทุกวันนี้ดูคนถือพุทธศาสนานั้นไม่ได้เข้าถึงเนื้อแท้ของพุทธศาสนานเป็นเพียงาศาสนาเปลือกเปือกเท่านั้นเรื่องการทำบุญให้ทานรักษาศีลหรือทำสมถกรรมฐานนั้นเขาสอนกัน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 ดังนั้นคนเจริญิพพสนานั้นจึงขั้นปัญญาไม่ใช่เป็นขั้นทาบุญให้ฐานรักษาจิิงขั้นปัญญาขั้นรู้แจ้งรู้จริงและรู้จริงๆริเรื่องนี้ไม่ใช่รู้จำไม่ใช่รู้จำรู้จักรู้จำรู้จักนั้นมันรู้กับเพื่อนพูดให้ฟังหรือจำมาจากาำรับตำนา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 พูดเรื่องการรักษาติตการให้ทานอื่นๆไม่ต้องพูดเพราะว่าเรื่องนี้พูดกันมานานแล้วสําหรับผมพูดนี่คือพูดเรื่องทุกข์เท่า น, นั้นเองความทุกข์นั้นเราไม่เข้าใจว่าทุกข์ไม่มีเงินทุกข์ไม่มีทองไม่มีข้า ว, ไ ม, มาวไม่มีของเราเข้าใจกันอย่างนี้แต่ความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนี้ พระพุทธเจ้าเป็นมหากษัตริย์ไม่เคยจนเงินไม่เคยจนอะไรทั้งหมดเลยแต่พระพุทธเจ้าเข้าใจว่าทุกข์คือความเดือดร้อนคือความโกรธความโลภความหลงนี้เองหรือความพอใจความไม่พอใจนี่เองพระพุทธเจ้าหาวิธีที่จะมาดับทุกข์เรื่องนี้วันนี้เราก็เลยไปทําบุญให้ทานรักษาศีลทำกรรมฐานเพื่อให้หมดอย่างนี้แต่มันหมดไม่ได้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 ไม่ได้ทําอะไรก็ตามตาเมื่อศึกษาให้ทางดับทุกแล้วอันนั้นถูกต้องวิธีที่ผมจะนํามาพูดในขณะนี้เพื่อทํให้ผมเข้าใจกับพวกเราคือให้มีสติให้มีสติพระพุทธเจ้าท่านสันเสรินเรื่องมีสติเท่านั้นสิ่งอื่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สนเสรินเท่าไหร่เพราะว่ามันดับทุกไม่ได้ควมจริงแล้วความโกรธ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 นั้นคนใดที่ลืมตัวลงไปขณะหนึ่งนั้นเรียกว่าคนว่าคนไม่มีสติคนไม่มีสตินั้นท่านวาเปรียบอุปมาอุปมาว่าเหมือนกับคนตายแต่ไม่ใช่ตายหมดลมหายใจนะตายจากคุณดีกงา น, นมันเนา่ามันเหม็นเหมือนกับอุจจลระไลยไปกอุจจาระอีกด้วยคนไม่มีสตินี่สามารถพูดได้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 พุทธศาสนาหรือเข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าดัางนั้นจึงว่ารู้จา ร, รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้จริงนั้นรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยญาณสามารถบังคับได้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถมองเห็นสมุทฐานรวมทุกได้รวมทุกนั้นเกิดขึ้น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 เมื่อเป็นพ่อบ้านแม่เลือนงมันก็มองถึงลูกถึงหลานมองถึงไลนาอะไรต่างๆที้ประทาอันนี้ส่วนคนลืมตัวบันนี้วิธีที่ทำในงายอย่างรัดจะรักษาศีลก็ได้ไม่รักษาศีลก็ได้จะให้ทานก็ได้ไม่ให้ทานก็ได้ไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนก็ตามคอยกาหนดจิต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 กับมันเห็นความคิดมันคนละเรื่องมันมันรู้คิดมันรู้คิดเป็นเรื่องเป็นราวไปนั่นมันรู้ผมรู้อันนั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าควมรู้ของอวิชาควมรู้ของวิชามันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเหมือนกับหนูกับแมวถ้าหนูโชวออกมาแม่มันจับ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 ความโกรความโลภความหลงไม่ต้องมีความอิจฉาลิษยาเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องมีเพราะคนมีสติแล้วเนี่ยนี่พราพุเจ้าสอนใอ้ใส้ไม่มากทื่เราทํากันทุกวันนี่เราไม่ได้ทําจุดนี้คือเราไปทําเพื่อตายแล้วต้องไปเกิดนิดผานหรือไปสวรรค์เราไม่รู้จักนิพพานมันก็ไปนิพพานไม่ได้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 เป็นโศกการปรตเทวทุกข์เนี่ยรวมทุกข์อยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราศึกษาหลักพุทธศาสนาจริงๆแล้วศึกษาไม่ยากไม่ลำบากลาบุอะไรทั้งหมดทุกคนจเจริญได้จะเป็นโนซาตไหนภาษาใดหรือศาสนาไหนขอสามบวชก็ศึกษาได้ปฏิบัติได้ไม่บวชก็ศึกษาได้ปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน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 บนนั้นคือว่ายังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจเพียงเข้าใจนึกเดาเอาเองเท่านั้นเองคนจริงธรรมนั้นวิธีที่เราจะรู้จักจริงๆรู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริงนี้มันต้องรู้เรื่องรูปนามรู้เรื่องรูปน้ําแล้วก็รู้สมมติหมือรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตานี้ สมมุตินี่อะไรอะไรสมมุติทั้งนั้นจริงว่ามันมีมากเรื่องสมมุติมีสมมุติขึ้นมาเฉยๆแล้วก็สมมุติบัญญัติขึ้นมาแล้วก็มีปรมัตดบัญญัติแล้วก็มีอัฐาบัญญัติแล้วก็มีอริยบัญญัตินี่เป็นอย่างรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องรู้ศาสนารู้พุทธศาสานารู้บาปรู้บุญรู้จริงๆรู้เรื่องนี้ รับรองได้จริงๆรู้เรื่องนี้แล้วมันเกิดที่ปัสสนูขึ้นมาวิปัสสนูแปลว่าอุปกิเลสวิปัสสนูคือกิเลสนั่นแหละตัวกิเลสนั่นแหละคือวิปัสส น, น, นูรู้นั้นรู้นี่เป็นรู้ไม่มีที่สิ้นจบ